ภาคพนวกนิเทศอาทิตตปริยายสูตรบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่องธรรมะที่อธิบายยากในหลักสูตรวิชาศิลธรรมชั้นมสปลายนกกรมศาสนาก ร, ากระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2513ภิกษุทั้งหลายทุกอย่างลุกเป็นไฟไปหมดแล้วลุกเป็นไฟเพราะอะไร ราไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเพราะชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกทมนัสอุปาญาตนิเทศอาทิตตปริยายสูตรในการพิจารณาพระสูตรนี้เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นประโยชน์ในการสอนเป็นควรแยกพิจารณาเป็นสองตอนคือว่าด้ยวยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง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 เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์จากนั้นจึงได้เสด็จไปยังป่าอิสิปัตนะมรุกฐายวันแขวงเมืองพารันสีในเขตแขวนกาสีได้ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจากกับปวัฒนสูตรโปรดภิกษุเป็นเจาวคัคขีบรรลุอรหัตผลระหว่างที่ประทับจำพรรษาอยู่หน้าป่าอิสิปัตนะนี้พระองค์ได้โปรดพระยศั์ บิดามารดาภริยาเก่าและสหายของพระยาศะที่เป็นชาวเมืองพรารณสีสี่คนชาวชนบทห0คนตามลำดับจนมีภิกษุสาวกจำนวน60สรูปจากนั้นได้ทรงส่งพระสาวกทั้งห0รูปออกประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม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 และเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระอระหันต์โดยทรงแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นอันมากจนในที่สุดอุรุเวลากัสปะชดินคลายทิฐิมานะยอมตนเป็นสาวกละทิ้งการบูชาไฟของตนขอบรรพชาอุปสมบทกับทั้งฉดินผู้น้องชื่อนทีกัสปะพร้อมด้วยบริวารสา0ร้อยคนและขยากัสปะ